ภาวน่ากอลีอันทุมอเนียวง่าปันกุกนลุงสิมเข้มเป็วตอตาวปามวังงล่านังเท่นาสวังเกินน่าหินาเข้มเป็วะอมาพอกินตว่าหิละลัมปิมานอมาอินหองลักดิงฮี